ความช่วยเหลือไม่อัน้นหลวงปู่คลาดท่านเป็นพระที่คนพังงาศรัท ธ, ธานับถือมากคนพังงามากราบท่านกันมากท่านบอกว่าถ้ามีลู้ศิษย์เป็นประธานห อ, อการค้าเขามากราบเรียนให้ท่านทราบถึงความคืบหน้าในการทำงานและบอกว่าสิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือการสร้างอาคารให้กับผู้เดือดร้อน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 บด้วยความเมตตาขององค์หลวงตามหาบัวหรือบารมีของท่านจริงๆและด้วยจิตศรัทธาของพวกเราการได้ไปช่วยบรรเทาทุกข์ยากของผู้ประสบภัยนี้เรารู้สึกเลยว่ามันอิ่มบุญแม้บางครั้งเราต้องไปแจกกันกลางแดดเปรี้ยงๆควรจะต้องร้อนต้องเหนื่อยแต่เราไม่ร้อนไม่เหนื่อยเพราะใจอิ่มในบุญในกุศลที่เราได้สร้าง เราเอามาเป็นกำลังใจในการช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยากลำบากกว่าเราเป็นความสุขที่อยู่ในหัวใจฉะนั้นจึงอยากให้ทุกคนรู้ว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจของเราเมื่อเราเป็นผู้ให้เราได้สั่งสมทานบารมีไว้สุขก็เกิดอยู่ที่หัวใจเรานั่นเองอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่พวกเรายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ